จเจิอพอรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจานทร์ที่หนึ่งกร ก, กรดาคมพุทธศักราสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเป็นวันพระวันธรรมะสวนะวันฝังธรรมวันเติมน้ำมัน ให้แก่ชีวิตจิตใจเพราะชีวิตจิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่ยังเดินทางอยู่ในวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าพวกเราอยากที่จะเดินทางไปอย่างสุขอย่างสบายมีความน่มเย็นเป็นสุข และเดินทางถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานได้เราก็ต้องคอยเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าจึกสรงบัญญัติวันพระวันธรรม ส, สวัสดิขึ้นมาเพื่อให้สาธุชนจะได้หยุดภารกิจการงานต่างๆทางโลกการงานเกี่ยวกับการธรรมหากิน หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ให้มาเข้าไว้เพื่อที่จะได้มาเติมน้ำมันให้แก่ชีวิตจิตใจน้ำมันของชีวิตจิตใจก็คือบุญบรารมีนี่เองอย่างวันนี้ญาญโญก็มาเติมบุญบรารมีด้วยการให้ทานเรียกว่าทานบรารมีทานคืออะไร ทาคือการให้ให้ในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ก็เอาไปให้แก่ผู้อื่นให้แก่ผู้อื่นแล้วก็จะเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขใจเกิดความพอใจเกิดความภูมิใจนี่คือการให้ควรให้ในสิ่งที่เรามี ที่เราไม่ควรที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้อย่าไปหวงอย่าไปหวงอย่าไปเสียดายเพราะไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเขากับเราก็ต้องจากกันไปอยู่ดีถ้าเราจากกันด้วยความตั้งใจที่จะสละแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเราก็จะจากกันอย่างมีความสุขอย่างวันนี้ญาตโยมก็มาจาก เขาของเงินทองของยากโยปไปส่วนหนึ่งจากไปแล้วแทนที่จะเสีย อ, อกเสียใจเสียดายกับมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจเพราะนี่คือการจากด้วยความตั้งใจด้วยความยินดีด้วยความเมตตามีความปรารถนาให้ผู้ได้มีความสุข เราก็จะได้ทั้งเมตตาบาณีและทานบามีที่จะทำให้จิตใจเรามีพลังมีกำลังใจที่จะเดินทางสู่พระนิพพานต่อไปนี่คือทานบามีถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องไปหามาให้ไม่จำเป็น อันนี้ไม่ใช่การทำทานไม่ได้เป็นการสร้างทานบา ร, รมีการสร้างทานบา ร, รมีให้ทำในส่วนที่เรามีอยู่ถ้าเราไม่มีก็จบเรื่องทานบา ร, รมีไปเราก็มาทำศีลบา ร, รมีต่อมีบา ร, รมีอย่างอื่นที่เราต้องทำอีกไม่ใช่เป็นเพียงแต่ทานบา ร, รมีเท่านั้นดังนั้นถ้าเราไม่มีเงินทอง ไม่มีข้าวของที่จะให้ก็ไม่ต้องให้อย่างพระที่ออกบวชแล้วท่านก็ไม่มีข้าวของเงินทองไม่มีสมบัติอะไรที่จะให้ใครแล้วมีแต่อัฐถบริคารคือของใช้ที่จาเป็นต่อการดำรงชีพที่ไม่สามารถให้กับใครได้เพราะถ้าให้แล้วตนเองก็จะไม่สามารถ เลี้ยงดูตนเองได้เช่นบาตรมีแล้วก็ไม่ให้ใครทั้งนั้นต้องเก็บเอาไว้จนวันตายเพราะบาตรนี้เป็นเครื่องมือเลี้ยงชีพนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงสอนพระให้เลี้ยงชีพด้วยการบินตบาตทรงตรัสว่าถ้าสามารถทําไปได้ตลอดชีวิตจะมีแต่ความศริมงคลจะเป็นศริมงคลแก่ชีวิตของตน ดังนั้นถ้าเราไม่มีสมบัติไม่มีอะไรจะให้ก็สแสดงว่าการทำทานการสร้างทานบารมีนี้หมดไปแล้วผ่านไปแล้วไม่ต้องทาแล้วยกเว้นถ้ามีขึ้นมาเมื่อไหร่มีเหลือกินเหลือใช้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทาก็ต้องทาต่อถ้าไม่มีก็ต้องไม่ทาอย่าไปเสียเวลากับการไปหาข้าวของเงินทอง เพื่อเอามาทำทานอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายของการทำทานเป้าหมายของการทำทานเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องมากังวลกับทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองต่างๆที่เรามีมากจนเกินไปและจะทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองมาเพิ่มขึ้นอีก ถ้าเราไม่ให้ทานแล้วใจของเราจะโลภอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกทั้ทงๆ ท, ที่เราก็ไม่ได้ใช้มันแต่ก็อดไม่ได้ความโลภอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเอามาใจยเอามาจ่ายอยู่เรื่อยๆเอามาทำทานอยู่เรื่อยๆความโลภมันก็จะเบาบางลงไปเพราะมันไม่รู้ว่าจะโลภเอามาทำาไม โลภมาแล้วก็จะเอาไปให้คนอื่นอยู่ดีดังนั้นการทำทานนี้จะช่วยกำจัดความโลภจะทำให้เราไม่ต้องมาเสียเวลาหากับหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเพื่อเราจะได้มีเวลามาสร้างบารมีอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นไปเพราะบารมีนี้มีถึงสิงประการด้วยกัน ทานบารมีนี้เป็นเพียงหนึ่งในสิเท่านั้นถ้าเรามีเวลาว่าเราก็จะได้มาสร้างบารมีอย่างอื่นเช่นวันนี้เราก็มาสร้างศีลบารมีด้วยการรักษาศีลเมื่อกี้ก็ได้สมาทานศีลไปหข้อนี่คือการสร้างบารมีด้วยการละเว้นจากการทําบา และเว้นจากการฆ่าสัตว์นักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดโมดเทศเสสุรายามังอันนี้ก็เป็นบารมีที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่สบบุบที่สบายที่จเจริญรุ่งเรืองต้องมีศีลบารมีเพราะศีลบารมีนี้จะปกป้อง ไม่ให้เราไปตกต่ำเช่นไม่ให้เราไปเกิดนาบายไม่ไปเกิดเป็นเดราาัจฉาไม่ไยเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายไม่ไปตกนรกสีนี้เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่จะป้องกันไม่ให้จิตใจตกต่ำถ้าไม่รักษาสีน์ถึงแม้จะทำทางบรารมีมากน้อยเพียงไร ทานบา ร, รมีก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งให้จิตไปเกิดในอบายได้เพียงแต่ว่าถ้าทําทานได้ทําทานไว้เวลาไปเกิดในอบายก็จะมีทานคอยสนับสนุนเช่นเวลาไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเป็นที่ชื่นชอบของ ของมนุษย์มนุษย์ก็จะไปเอาเอาไปเลี้ยงดูอย่างดีเอาไปให้อาหารให้ที่อยู่อาศัย<ม>เพราะอำนาจของทานบารมีทำให้เวลาเกิดมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีทรัพย์คอยรอรับคอยเลี้ยงดูอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นทรัพย์ของตนก็เป็นทรัพย์ของผู้ที่เขามีความชื่นชมยินดี กับรูปร่างหน้าตาที่สวยงามาเช่นสุนัขที่สวยๆนี่มีราคาแพงมากมีคนอยากจะซื้อซื้อไปแล้วก็เลี้ยงอย่างดีบางทีก็ติดแอร์ให้ด้วยมีสร้างบ้านให้อยู่แล้วก็ติดแอรให้ด้วยหรือไม่เช่นนั้นก็เอาไปนอนกับเจ้าของนอนบนเตียงใหญ่ๆชูหห่หนาๆนอนอย่างสุขอย่างสบาย นี่ก็คือเรื่องของอนิสงส์ของการได้สร้างทานบา ร, รมีแต่ไม่ได้สร้างศีลบา ร, รมีแต่ถ้าได้สร้างทานบา ร, รมีและได้สร้างศีลบา ร, รมีเวลาตายไปก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและหลังจากที่ลงมาจากสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะได้เป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่ผองใสเป็นที่รักเป็นที่ชอบของคนทั้งหลายแล้วก็จะมีทรัพย์มีข้าวของเงินทองเพราะคนที่รักที่ชอบเขาก็จะประเคนเขาก็จะยกมาให้อย่างมากมายนี่ก็คืออนิสงส์ที่จะได้รับจากการสร้างทานบารมีและสร้างศีลบารมี ถ้าเราวันนี้แทนที่จะรักษาศีลสร้างศีลบามีเราสร้างเนคขมมะบามีก็จะได้เราก็จะต้องรักษาศีลแปดศีลแปนี้เรียกว่าเป็นการสร้างเนคขมมะบามีคำว่าเนคขมมะนี้แปลว่าอะไรก็แปลว่าการออกจากการหาความสุขทางการมคุณคทั้งห้านี้เอง เขาจะไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไม่ร่วมหลับนอนกับใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาของตนหรือไม่ถ้าถือในคำน้าบารเีแล้วก็จะไม่ร่วมหลับนอนกับใครเช่นถ้าถือศีลปดศีลข้อสารที่เรียกที่ว่ากาเมสุมิชชาจารา ก็จะเปลี่ยนเป็นอพรามจาริยาเวรานีอพรามจาริยาแปลว่าจะดำลงชีพจะอยู่แบบพรหมจรรย์ผู้ที่มีพรหมจรรย์ก็คือผู้ที่ไม่ร่วมเพศกับใครไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็มาเพิ่มสีนข้อที่หคือจะไม่หาควาสุขจากการรับประทานอาหาร มากจนเกิดไปมากเกินความต้องการของร่างกายจะ่รับประทานอาหารเท่าที่ร่างกายต้องการก็รับประทานเพียงครั้งเดียวก็พอหรือถ้าสองครั้งก็ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วเพราะว่าร่างกายอยู่ได้แล้วรับประทานให้เต็มที่แล้วไม่อดตายอย่างแน่นอนรับรองได้ว่าไม่ตายถ้าไม่ได้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว นี่คือข้อที่หถ้าเราอยากจะไม่หาความสุขจากการรับประทานจากรูปของอาหารของกลิ่นอาหารรสชาติของอาหารกับสัมผัสของอาหารเราก็ต้องรับประทานอาหารแบบรับประทานยารับประทานตามเวลาเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้แล้วเราก็มารักษาศีลข้อที่เ็ด สิลข้อที่เจ็ด น, นี้ก็มีหลายอย่างด้วยกันอย่างหนึ่งก็คือไม่ให้หาความสุขจากการดูรู้ฟังพวกเครื่องบรรเทิงต่างๆเช่นไม่ดูภาพยนต์ดูลงคอไม่ร้องรำทำเพลงไม่ออกไปเที่ยวเตะตามสถานบรรเทิงต่างๆแล้วก็ลาเว้นจากการ แต่เนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า อ, าอ่อนวิจิตพิสดารสีสดใสงดงามใช้เครื่องสมอางและน้ำมันน้ำหอมต่างๆการกระทํ า, าทเหล่านี้เป็นการเสียเวลาเพราะเป็นความสุขประเดียวประดาวเดี๋ยวก็ผ่านไปหมดไปให้เอาเวลาที่เราเสียกับการหาความสุขจากการเสพพวกบันเทิง เสกการแต่งเนื้อแต่งตัวซึเอามาทำใจให้สงบดีกว่าเอามาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำใจให้สงบเพราะใจสงบแล้วจะได้ความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่าและที่จะอยู่กับใจเราไปได้ตลอดอนี่คือการรักษาศีลข้อที่เจ็ แล้วก็ต้องรักษาศี่ข้อที่8คือต้องไม่หลับนอนบนฟูกหนาๆบนเตียงใหญ่ๆ ใ, ให้นอนหลับบนพื้นไม้พื้นแข็งปูด้วยเสือ่อหรือปูด้วยผ้าก็พอเพราะการหลับนอนนี้ต้องการพักผ่อนร่างกายเท่านั้นร่างกายจะนอนบนฟูกหนาหรือบอล น, นอนบนพื้นแข็งก็หลับได้เหมือนกันถ้าร่างกายง่วงแล้ว นอนบนพื้นแบบไหนก็หลับได้แต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆพอตื่นมันขึ้นมาแล้วจะไม่อยากลุกเพราะมันสบายก็จะอยากจะนอนต่อพอนอนต่อก็จะเสียเวลาไม่ได้เอาเวลามาสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่มาสร้างบุญบารามีองค์ต่อไปคือการมาจเจริญ อุเบกขาบาลามีอุเบกขาบาลามีนีจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็จะเกิดจากการทำใจให้สงบทำใจให้รวมเป็นสมาธิถ้าใจรวมเป็นสมาธิแล้วก็จะมีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาก็จะมีความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบเป็นความสุขที่เหนือความสุขทั้งหลาย ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงจัดไว้ว่าลดแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงลดแห่งธรรมนี้ก็คือลถของความสงบลถของจิตที่เป็นอุเบกขานี่เองพราเวลาที่จิตเป็นอุเบกขานี้จะไม่หิวไม่อยากไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่ต้องการอะไรไม่วุ่นวายกับอะไรไม่ลำคาญกับเรื่องราวต่างๆ ร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายจะหิวน้ำหิวอาหารก็จะไม่เดือดร้อนเพราะใจเป็นอุเบกขาอยู่เฉยๆได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหากับใจแต่อย่างเดวิธีที่จะสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้นก็ต้องจเจริญสติอย่างต่อเนื่อง สติคืออะไรก็คือการควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวหรือให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นถ้าใช้พุทธโธก็ให้รู้อยู่กับพุทธโธให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรเดินยืนนั่ง น, นอนอยู่ในอเรียบทใดยกเว้นเวลาหลับให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปภายในใจ ถ้าสามารถทำได้ใจจะว่างจจเย็นจะสงบจะเป็นอุเบกขาจะมีความสุขมากกว่าการได้ความสุขจากการไปเที่ยวไปไปดูไปฟังเครื่องบันเทิงต่างๆมากกว่าความสุขที่จะได้รับจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นมากกว่าการที่จะได้รับประทานาหารแบบตามความอยาก เพราะความสุขเหล่านั้นเป็นความสุขประเดียวประดานอกจากเป็นความสุขประเดียวประดาแล้วยังเป็นความสุขที่มีโทษตามมาด้วยเพราะจะทำให้เกิดความอยากทำอีกถ้าไม่ได้กระทำก็จะเกิดความหงุดหงิดเกิดความเศร้าส้อยหมวยเหงาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดังนั้นขอให้พวกเราพยายามทำใจ ให้สงบให้เป็นอุเบกขาให้ได้ด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องทั้งทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาลืมตาก็ท่องพุทโธไปเลยไม่ว่าจะทำอะไรจะล้างหน้าล้างตาแปรงฟันแอบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวเดินทางไปทำงานรับประทานอาหารเวลาทำงานก็พุทโธพุทโธไปยกเว้นเวลาที่จะต้องใช้ความคิด กเกี่ยวกับเรื่องการทํางานก็พักพุทโธไว้ก่อนหรือถ้าเราท่องพุทโธไปจกกนกระทั่งใจเราหยุดคิดไม่คิดอะไรเราก็หยุดท่องพุทโธได้เหมือนกับรถถ้ารถถ้ารถจอดแล้วเราก็ไม่ต้องเหยียบเบรคแต่ถ้ารถยังวิ่งอยู่เราต้องเหยียบเบรคเพื่อให้รถหยุดฉันใดพุทโธนี้ก็มีไว้เพื่อให้เราหยุดความคิดถ้าเราหยุดความคิดได้แล้ว เราก็ไม่ต้องพุทธโธเวลาใจยหยุดคิดแล้วจะมีความสุขมีความสบายมากจะไม่หิวไม่อยากไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆนี่คือเรื่องของอุเบกขาบารามีพอเราได้อุเบกขาบารามีแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมาเจริญปัญญาบาลมีเพราะว่าถ้าเราไม่มีปัญญาบารามี เวลาเราออกจากสมาธิมาถ้าเราเผลอไม่ได้ท่องพุโทโธเดี๋ยวก็จะเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากแล้วก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะหยุดความวุ่นวายใจไม่ได้ดังนั้นเราต้องสร้างปัญญาขึ้นมาด้วยการฟังเทศฟังธรรมปัญญานี้เกิดขึ้นเป็นสามขั้นด้วยกัน ทั้นแรกต้องเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมฟังจากผู้ที่รู้เพราะเราไม่รู้ว่าปัญญาเป็นอะไรเราไม่รู้วิธีที่จะหยุดความอยากของเราได้อย่างไรเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมามีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้จักวิธีหยุดความอยากดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็ฟังเพื่อที่จะให้เรารู้จักวิธีหยุดความอยากนั่นเอง พอเรารู้แล้วเราก็เอามาหยุดความอยากได้เช่นเวลาเราอยากได้เงินได้ทองอยากจะเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเราก็จะได้หยุดเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวอนเป็นความสุขที่จะเพิ่มความอยากเพิ่มความทุกข์ให้มีมากขึ้นพอเรารู้อย่างนี้ เราก็จะได้หยุดการไปหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขต่างๆแล้วเราก็จะได้มาหยุดความอยากด้วยการมารักษาศีลด้วยการมาเจริญในคข ม, มะบาลมีด้วยการมาเจริญโอเบคขาบารมีพอเราเจริญแล้วเราก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวพอออกมาจากความสงบ พอเกิดความอยากทีนี้ต้องใช้ปัญญาบารามีมาหยุดเพราะปัญญานี้จะหยุดความอยากได้อย่างถาวรถ้าเราเห็นโทษของความอยากว่าเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายใจของความทุกข์ใจของความอยากที่จะไม่มีวันสุดสิ้นไม่มีวันหมดไปความอยากนี้มันจะต่อไปเรื่อยๆถ้าเราตามตามความอยาก ถ้าอยากจะให้ความอยากมันหมดไปเราต้องฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากเช่นวันนี้อยากจะไปเที่ยวก็ไม่ทำมายิบมาวัดแทนทุกครั้งที่อยากจะไปเที่ยวก็มาวัดแทนต่อไปก็จะไม่อยากไปเที่ยวเพราะเวลามาวัดแล้วใจจะมีความอิ่มมีความสุขก็จะดับความอยากไปเที่ยวได้แล้วถ้าเราทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาได้ ใจก็จะไม่อยากไปเที่ยวไหนยกเว้นเวลาที่ออกมาจากสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาคอยสกัดคอยดับความอยากเวลาที่ใจเผลอไปคิดถึงความอยากต่างๆถ้ามีปัญญาคอยสกัดไว้ความอยากก็จะต้องหมดไปนี่คือเรื่องของบารมีเรื่องของน้ำมันรถที่พวกเราต้องคอยเติมกัน พราะถ้าเราเติมแล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะมีกำลังที่จะพาให้เราเล่นลอดออกจากบ่วงของมารเล่นลอดออกจากบ่วงของความอยากให้เราได้หลุดพ้นให้เราได้เดินทางไปถึงบ้านที่พระพุทธเจ้าและพระอาลัยตรสาวงทั้งหลายได้เดินทางไปถึงแล้วอย่างแน่นอนการที่เราจะสร้างบารมีเหล่านี้ได้ เราต้องมีความตั้งใจอย่างแ น, วน่วแน่ถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะไม่ได้ทำเช่นวันนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาวัดเพื่อมาทำบุญมาสร้างบา ร, รมีพอเราเตื่นขึ้นมาเราก็อาจจะเปิดทีวีดูโทรศัพท์คุยกับเพื่อนพอเพื่อนชวนให้เราไปทำอะไรเราก็จะไปกับเขาเราก็จะไม่ได้มาวัดมาเติมน้ำมันกัน แต่ถ้าเราตั้งใจไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่าวันนี้เป็นวันพระวันนี้เป็นวันเติมน้ำมันวันสร้างบุญบรารมีเราต้องมาวัดเราต้องมีความแน่วแน่ต่อความตั้งใจของเราพอตื่นขึ้นมาปัก๊ก็รีบเตรียมตัวเตรียมข้าวเตรียมของออกเดินทาง ม, มาถึงแม้จะมีเพื่อนโทรมาชวนให้ไปที่นั่นที่นี่ก็จะไม่ไป พ้มีความตั้งใจอย่างแน่วแนแล้วว่าจะต้องมาทําบุญให้ได้นี่ถ้าเรามีความตั้งใจแล้วมีความแน่วแน่ต่อความตั้งใจก็จะไม่มีอะไรมาฉุดลากให้เราไปทําอย่างอื่นได้พอเรามีความตั้ ง, ง, งใจแน่วแน่แล้วเราก็ต้องมีความขยันและความอดทนต้องขยันเดินทางมาวัดถ้าเกีย์ถ้าขี้เกียจตื่นขึ้นมาแล้ว ถึงแม้ว่าอยากจะมาวัดแต่ไม่อยากจะลุกขึ้นมาก็จะมาวัดไม่ได้พอตื่นขึ้นมาแล้วต้องมีความขยันรีบลุกขึ้นมาทันทีอย่าบิดขี้เกียจอย่าให้ความขี้เกียจเดิวมาให้เราไม่ได้ออกมาจากบ้านเพื่อให้เรามาวัดและเวลาเดินทางมามีอุปสรรคน็ตติดฝนตกน้ำท่วมเราก็ไม่ท้อแท้ฟันฝ่ามาให้ได้ ถ้าตาบใดยังมีลมหายใจอยู่ยังมีปัญญาที่จะมาได้อยู่ก็จะต้องมาให้ได้ถ้าไม่มีความอดทนพอเจออุปสรรคขวางกัน้นมีรถติดหน่อยน้ำท่วมหน่อยก็จะเปลี่ยนใจได้นี่คือการสร้างบุญบรารมีเราต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่มีความภาคเพียนความขยันและมีความอดทน ถ้าเรามีแล้วเราก็จะมาสร้างทานบรารมีได้สร้างเมตตาบรารมีได้สร้างศีลบรารมีสร้างเนคขมภับารมีสร้างอุเบกขาบรารมีและสร้างปัญญาบรารมีได้อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาสร้างกันในวันนี้ท่านกาลังวันนี้ท่านได้มาเติมน้ามันเต็มถังแล้วกลับไปบ้านนี้จะมีกาลังจิตกำลังใจที่จะเดินทาง ต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ, างๆคือกิเลสตัณหาที่จะคอยดึงให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราหมั่นเติมบารมีทุกวันเรายิ่งจะมีน้ำมันมีกำลังมากขึ้นที่จะทำให้เราได้เดินทางไปถึงบ้านของเราได้อย่างรวดเร็วขึ้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจไว้เสมอว่า ชีวิตที่เกิดมาเพื่อมาสร้างบุญบารม <Starbucks. S 1> ีเพื่อมาเติมน้ำมันเ <c'> er> พื่อเราจะได้อริยทรัพย์ <c 'm effectivement> คือมรรคผลนิพพานที่เป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของเราทรัพย์สมบัติต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นสมบัติชั่วคราวพอตายไปก็จะกลายเป็นของผู้อื่นไปการแสดงก็เห็นว่า